กตวะท่านฟังที่ครบค่ะค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรณีนาคพงษ์นะคะ FM 106 ครอบครัวข่าวที่จะให้ค่ะ จริงหรือไม่คะว่าเป็นเหตุแห่งความสุขที่จะค่ะอืมมงคลนี่คือความสุขความเจริญมงคลอย่าง ค่ะ 38 ประการและเพื่อที่จะให้ท่านที่อาจจะยัง 1 การ 2 การ 3 บูชา 4 อยู่ 5 เคย 6 ตั้ง 7 เป็น 8 อบรมรู้ อัก 9 มี 10 กล่าว 11 บำรุง 12 สงเคราะห์ 13 สงเคราะห์ 14 ทํางานให 15 ให้ 16 ประพฤติ 17 สงเคราะห์ 18 ทํา 19 ละเว้นจากบาป 20 สํารวม 21 ไม่ 22 มี 23 ท่อม 24 สันโดษ 25 กตัญญู 26 ฟัง 27 อด 28 เป็นผู้ว่าง่าย 29 ได้ 30 สนทนา 31 บำเพ็ญ 32 ปรึกษ์ 33 เห็น 34 ทำ าน, 35 ไม่ 36 มีไม 37 มี 38 มี ส่วนต้นๆเข้าใจง่ายหมดเลยนะคะ 33 มา ะ, 33 เนี่ยอาจจะเข้าใจยากแต่ดิฉันจะอืมเท่าที่นะว่าเอ๊ะอะไร นะไปถามท้าวสกะเทวราชก็ตอบไปอีกอย่างนึงน่ะภิกษุองค์นั้นก็ตอบอย่างนั้นอย่างๆเช่นพวกพราหมณ์พวกอะไรพวกเนี้ยที่มีความรู้สูง <หน. S 1> น่ะซึ่งมันจะต้องมี format คํากลอนนะซึ่งมันจะต้องมีฟอร์แมตๆใช่มั้ยแต่พอพูดของ ของคําฉันละก็จะต้องดิ้นไปจากนั้นมากไม่ค่ะเอ่อทั้งนี้เช่นนั้น เดี๋ยวก่อนเอา 38 อืมเราเองเราก็อยากจะตัดสินใจนะคะว่าทําเท่าใดจึง 5 ข้อใช่มั้ยค่ะคนเราเมาไม่พูดโกหก เราจะมีความไม่ร้อนใจจะมีความไม่หนึ่งทีนี้ถ้าคุณรักษาศีลดีแล้วเอ๊ะแต่ทําไมบางทีชีวิตเรามันเรา 38 ได้ว่าจะต้องมีสักอันใดอันหนึ่งได 38 อย่างเช่นบางคนรักษาศีล 5 ได้ ข้อที่ 14 นะว่าทํางานไม่ให้ข้างค้าง 5 ได้อยู่แต่ว่าทุรท่อกับมารดาบิดาทําไมพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้ 38 ข้อเนี่ยนะ 38 อันเนี้ยที่ ศีลก็เป็นระดับ 1 คือเหมือนกับว่าเพิ่งปฏิบัติทั้งนั้น 38 ข้อเนี่ยก็อย่างละเว้นจากบาปเนี่ยถ้าศีลข้อปานากับศีลข้อ เอามาเขียนให้ชัดว่าสํารวมจากการดื่มน้ําเมาอืมสํารวมจากการดื่มน้ําเมาไม่ใช่เว้นขาดจากเจตนาเว้นขาดจากการดื่มน้ําเมานะอันคือสุราผู้เจ้าก็เอาข้อนี้ออกแล้ว จารย์ก็นั่งถึงวาจาเพ้อเจ้อวาจาค่ะแต่มงคล 38 เนี่ยจะครอบคลุมใช่เอ่อเป็นมงคลๆนะเป็นยิ่ง เอ่อแน่นอนเลยๆค่ะถ้าถ้าเราจะวิเคราะห์ในแต่ละส่วนเอาแบบไปๆนะคะไม่บูชาคนที่ควรบูชาอันๆว่าจะได้ค่ะเอ่อบาง แต่ถ้าเราอยู่ในวิสัยที่เราจะเตือนก็ได้นะเราก็เตือนคือแต่ๆค่ะแต่ดิฉันสงสัย 38 เคยทําบุญนะตัว นะ तो เราต้องมีคนสร้างบุญนะทําไมทําไมถึงพูดตรงนี้เพราะว่า ย่ะเราจะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยว่าเออเราต้องมีบุญแสดงว่าเรามีอยู่แล้วนะ ว่าประอย่างหนึ่งก็ให้เห็นว่าเขาไม่ค่ะอืมและถ้าโดยรวมแล้วก็คือว่าในเนี้ยสอนให้เราประพฤติกายวาจาใจของตัว สอนเรื่องของๆต้องเห็นสมณะสนทนาธรรมตามการบําเพ็ญตบะปฏิบัติพรหมจรรย์เห็นอริยสัจทําเนี่ยในทาง พูดถึงการที่จะต้องไปพระใช่จะได้ไปสู่พระนิพพานเอ่อความเป็นผู้ว่าง่าย เอ่อว่าง่ายนะก็คือว่าเป็นผู้ที่รับ 3 ก็คือเป็นผู้ที่เอ่ออะไรก็ยังเป็นความสงบๆที่อ่ะ 3 อย่างตรง อันแรกคือเราต้องไม่มีมานย่าเราผิดแล้วก็คือผิดก็ยอมค่ะแล้วเราก็ต้องบาง นั่นไม่ใช่ว่าชอบอยู่คนเดียวคือสำคัญสันโดษแล้วเราจะสบายใจก่อนไม่ใช่ว่าชอบอยู่อ่าเออเข้าค่ะส่วนไม่ประมาทคือว่าความไม่ประมาท นะเราก็จะไม่มีปีติไม่มีปราโมทย์ธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏอันนี้คือความประมาทนะไม่ เหมือนกันกับการตั้งตนค่ะอืมตอนแรกว่าของแต่ละอืมมีอันที่ค่ะนะสมณะ ก็คือบุคคลที่หมดจากราคะโทสะโมหะแล้วๆไปก็แล้วนะในความ งั้นเดี๋ยวเรื่องเนี้ยดิฉันคง 38 ประการที่ทุกท่านสามารถ กราบท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะและนี่ก็คือพระ FM 106 เช่นเดียวกันนะ